เอ๊ะทำไมไม่หายก็โทรก็ต่อว่าเขาว่ากำลังยุ่งอยู่โทรมาเวลาโทรไปแล้วทำไมไม่รับ hmm. เสร็จแล้วหนูก็ไม่หายไม่หายเสร็จปุ๊บโอหนูก็เห็นว่าอ๋อจิตมันเป็นแสดงไตลักษ์จะ hmm. โกรธเราก็บังคับไม่ได้ hmm. ให้หายโกรธก็บังคับไม่ได้ hmm. ปรากฏว่าโลง่งเ hmm. หลือแต่ความสุขขึ้นมาผุด hmm. ขึ้นมาแทน hmm. จนกระทั่งหลายๆครั้งที่ภาวนาจนกระทั่งปัจจุบั น, นค่ะก็บางวันเนี่ยมีความสุขมาก hmm. บางวันก็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 คือบางทีรู้สึกไม่ชอบตัวเองเลยนะเนี่ยเบยอย่าไปเกลียดมันค่ะแล้วก็เมื่อไม่นานมานี้นะคะรู้สึกเหมือนนี่ไม่แน่ใจาว่าเขาเรียกว่าอะไรนะคะมันเห็นเหมือนมันมืนมันซ้อนกันนะคะตัวเรามันเมืนเป็นสองชั้ น, นะะอะไรเงี้ยนั่นแหละภานาอย่างนั้นดีเขาไม่รู้ว่าเรียกว่าอะไรถ้ามั น, นะะเป็นอย่างนั้นก็รู้ไปนะถ้ามันเป็นรวมเหลือตัวเดียวก็รู้นะค่ะแล้วพอพ อ, พอรู้สึกเจอปุ๊บก็ตกใจแล้วก็อยากดูแล้วก็หายไปอถ้าอยากแล้วไม่มีอีกละ รู้เล่นๆไปนะต่อไปมจะมีคนหนึ่งแสดงคนนึงดูอยู่อย่างนั้นทั้งวันเลยค่ะแล้วต่อไปแล้วหนูต้องทำยังไงต่อบ้างกัะฝึกอย่างนี้แหละนะทำในรูปแบบบ้างละค่ะแบ่งเวลาไว้ทำนะจะช่วยให้แรงมากกว่านี้ค่ะ77กราบนวัสการหลวงพ่อค่ะพอดีช่วงนี้ที่ปฏิบัติก็แบบเหมือนมันเริ่มรู้เยอะขึ้นนะคะเห็นตัวตนของตัวเองแบบว่าทั้ง